ธรรมชาดกแผ่นที่ส0บลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าพระราชาลืมคุณมีโยมลูกศิษย์ของหลวงตาที่เป็นลูกศิษย์หลวงตา เก่าแก่เข้ามาปลารพบว่าน้ําท่วมกรุงเทพปีนี้รู้สึกว่าเสียหายมากผมเองผมอยู่ที่โคราชเมื่อปีที่แล้วน้ําท่วมผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าทุกข์มากเพราะนั้นเห็นน้ําท่วมทำกรุงเทพปีนี้เขาก็คงจะมีความทุกข์เหมือนกันฮนะเสียเขาปลารพบนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะไปทําโรงทานช่วยน้ําท่วมครับหลวงพ่อหนะลวงพ่อเออเห็นด้วย หลวงพ่อเองก็อยากจะเข้าไปช่วยจุดนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาใครเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการแต่มีผู้เสนอมาอย่างนี้ก็ดีละเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหานองหลวงตาหลวงพ่อก็เลยให้ทุนนะหาทุนให้หมดไปหลายแสนเหมือนกันนะลงทุนให้ก็มีผู้สมทบเข้ามาอีกรวมแล้วก็หมดไปหลายล้านที่ หลวงพ่อ ด, ดูดูสองล้านกว่ากว่าแต่ยังไม่ได้รวบรวมทั้งค่านองค่าน้ําอีกค่าขนส่งอะไรอีกมันปิดเงินทั้งนั้นแหละแต่จะไปคิดแต่ของใช้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องคิดรวมกันภาพรวมทั้งหมดก่อนที่ของจะไปถึงได้ก่อนน้าจะไปถึงได้มันก็ต้องมีรถรถสิบล้อนะส่งไปกส่งไปกี่เที่ยวฮะแล้ว ก, ก็ก่อนที่จะเป็นน้ําอีกการบรรจุน้ําเท่าไหร่ รวมแล้วจะเป็นเงินทั้งหมดนั่นแนหะไปช่วยพี่น้องทางภาคกลางแล้วนี่นก็พอไปทําที่สวนแสงธรรมกบน้ําท่วมอีกเนี่ยก็เลยมาคลองสิบหกอำเภอวังน้ําเปี่ยวเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยมาถึงที่วังน้ําเปลี่ยวรู้สึกได้รับความอบอุ่นได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวตลาดเป็นอย่างมากจะได้ช่วยๆกันทําหลาย เป็นเดือนกว่าเหมือนกันนะส่งอาหารไปเขาบางวันก็หกหกพันชุดมีข้าวเหนียวแล้วก็มีกับของแห้งแล้วก็มีน้ำบรรจุเข้าไปในถุงก็เข้าไปส่งแถวลำลุกกาแถว เ, เมืองทองบ้างไปหลายหลายแห่งจลรับกันคือเลี้ยงพี่น้องประชาชนเอารถทหาร เข้าไปส่งรถฐานก็ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากทหารเอกทั้งสระบุรีทั้งจัดเสืองเสาทั้งนายทหารข่าวนี่ว่าทหารเนี่ยเป็นพระเอกในการน้ําท่วมประสบภัยในครั้งนี้ทหารเนี่ยออกมาช่วยเห็นได้ชัดเลยทั้งเครื่องไม้ทั้งเครื่องมือทั้งกําลังพลไอ้พวกเราก็ได้ช่วยเอาทหาร เอามาช่วยทีแรกก็คิดว่าเอาคนในท้องถิ่นอบจงอบพจออบพอต อ, เ, อเราก็จัดให้จัดให้พอที่ไหนได้เอาไปให้แต่พักแต่พวกแต่เพื่อนของตนเองทีนี้มันไม่ถึงมันไม่ถึงชุมชนที่เขายากจนถ้าว่าตัวเองไม่รู้จักมักคุ้นก็ไม่ให้เขาอีกต่างหากนะเห็นแก่พักเห็นแก่พวกฉันทากติโทสกโากติโมหกติพยาคติ พวกเรานี่อยากจะให้ทั่วถึงก็เลยเปลี่ยนใหม่คือเอาทหารพอทหารทหารเขาออกมาจากกรมกองเน่ยเขาก็ได้ฝึกอย่างดีมาอีกต่างหากพอรเอารถเข้าไปเนี่ยเขาก็ยกมือผู้ที่ขอความช่วยเหลือเขาก็ยกมือต้องยกมือห้านิ้วก็แสดงว่าห้าชุดพี่น้องลูกหลานเขาต้องการห้าชุดยกให้สามชุดช่องสองชุด เราก็ยกให้ยกให้มีทั้งน้ำดื่มด้วยในเปลืออาหารพร้อมพร้อมทานนี่ก็เราก็ทํามานานพอสมควรวันละห้าพันกชุดสี่พันกว่าชุดเป็นอย่างน้อยส่งเข้าไปในกรุงเทพอย่างน้อยก็ได้รับความอบอุ่นจากคนในชาติไม่ใช่เอ้ยเขาทำแล้วล่ะไม่รู้ใครทําก็ไม่รู้เขาทำแล้วล่ะรัฐบาลทําแล้วล่ะในผลที่สุด ก็หาใครทำไม่ได้เนี่ยอย่างนี้แต่ว่าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันถึงจะเหลือเฟือไปบ้างฟุ่มเฟือไปบ้า ง, ง, างขาดเหลือไปบ้างเอาเข้าไปในให้เขาได้อยู่ได้กินอย่างน้อยก็คือความอบอุ่นคนในชาติไม่ได้มองไม่ได้ดูดายในเวลาขับขันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายามตกทุกข์ได้ยากหลวงพ่อวาเนี่ยน้าใจของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาหลวงพ่อนํารึกถึงองค์หลวงตาของเราถ้าหลวงตาของเรายังยังทรงทา้าทษองขันอยู่ท่านก็คงจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่พวกเราเนี่ก็ช่วยเหมือนกับอะไรมดพวกมดพกปลวกปล ว, วกนะั่นไม่มีกําลังได้กําลังขนาดนี้กัสุดช่วยสุดความสามารถแต่ไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวนะ เพื่อนๆกับหลวงพ่อชาติทมมิพระที่เป็นจออาวาตท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ขนของลงไปไม่โทษเท่าไรต่อเท่าไห ร, าาไหรบางองค์ก็บินทบาทจากจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงบุรีรัมบินทบาทใส่รถสิบล้อขึ้นมากับขนเอาลงไปแจกพี่น้องประชาชนถ้าจะให้พี่น้องประชาชนชาวตลาดแต่ละตลาดเขาเอาไปแจกก็ไม่ได้เนยพาะไม่มีกาลัง ไม่รู้จะส่งไปยังไงเมื่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาเป็นหลักให้เขาก็ไม่รู้นะไม่รู้น้ําปลาไม่รู้ข่าวสารอาหารแห่งบินทบาทสองครั้งตอนเช้าบินครั้งหนึ่งมาฉันซะก่อนฮะเขาก็ของกับพ่อแรงนะประกาศอีกเอาไปบินทบัทรอบสองตอนสายเดินเข้าไปเอาใครเอามาเถขนของมาให้อใส่รถสิบล้อเขาไปแจกเลยนี่แหละ สรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์พระกรรมฐานของเราเนี่ก็ให้ความใส่ใจในการทุกยากของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจในสหธรรมิกหมู่พวกเพื่อนของหลวงพ่อเหมือนกันอย่างหลวงพ่อชุดธรรมท่านก็ช่วยน้ำ เ, เราก็นหะน่หาทุนซื้อขวดให้ท่านท่านกระดมพวกโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครแล้วก็ศูนย์การค้าเด็กนักเรียนมาบรรจุขวดน้ำน้ำยุธิวั์ของท่านอยู่แล้วจากนั้นก็หลวงพ่อก็ส่งไปทั้งโลงศรีหนองคายลูกหลานของท่า น, น, นก็เอารถสิบล้อไปขนส่งลงไปกรุงเทพนั่นแหละอันนี้สรุปแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูดายช่วยเหลือกันนี่แหละพี่น้องชาว อำเภอจังหวัดเชิยงเซาอำเภอบางน้ำเปรี่ยวคองสิบหกที่มาวันนี้ก็ยี่สิบกว่าคนคณะขจัทธาญาติโยมลูกหลานที่เป็นกำลังหลักไปช่วยกันตั้งโรงทานบรรจุสิ่งของเข้าในถุงจากนั้นก็นำไปแจกพอเสร็จแล้วก็ได้มาชม มากราบองหลวงตาเจ a ีเอที่พระราชทานสรีละของหลวงตาวัดป่าบันตาดมาใส่บาทจากนั้นก็นได้มาวัดมาค้างวัดหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็ืออขอขอบคุณและขออนุมโมธนากับลูกหลานทุกค น, นที่ได้ร่วมกันได้ช่วยกันแสดงถึงน้ำใจช่วยเหลือประเทศชาติแต่หลวงพ่อนี่ก็คล้ายๆว่ า, าวหาทุนให้ พวกเรานี่ยก็เป็นกําลังหลักทั้งเสียสละด้วยแต่มากน้อยกับสุดแท้แต่กําลังของแต่ละคนะใช้เวลานานพอสมควรอยู่ที่ตลาดสมาคมพ่อค้าที่อาเภอวังน้าเปลี่ยวอกลุ่มพ่อไปเห็นวันนั้นก็ลุงพ่อก็เห็นแล้วก็เปื้มปีติกับพี่น้องลูกหลานทุกคนให้ความสนใจ ในการเสียสาร เ, เวลามาแพ็คของพอห้าหกพันถุงนะ่นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะต่างใช้คนเกอดเป็นร้อยเหมือนกันนะ่ะที่เข้าไปตั้งแล้วก็ผู้ที่อยู่หน้าไฟที่ทำอาหารแล้วก็ที่หุงข้าวที่จะบรรจุกล่องจากนั้นก็ได้นําไปให้ทหารแล้วก็ไม่ใช่แต่ทหารอย่างเดียวพวกพี่น้องก เดินนั่งรถไปดูด้วยนั่งรถหานไปดูด้วยไปแจกด้วยอด้วยน้ําใจก็เห็นผู้ที่มารับบางคนก็น้นําตาหลังน้ําตาไหลก็มีอเพราะเหตุอะไรมันความทุกข์จุดนี้มันมองไม่เห็นมัน ส, ส่วนลึกนะอสมัยเมื่อเราอยู่ดีมีสุขเนี่ยเอาเงินร้อยเงินพันให้เราก็ขอบคุณครับเพียงแค่นั้นแหละให้ค้ายว่าขอบใจยุคที่ผู้มาให้แต่ถ้ า, อาวอกข้าว อาหารทําเป็นถุงเราหิวมาเป็นวันแล้วเนี่ยเอาข้าวเป็นถุงมาให้เนี่ยมันขอบคุณคับน่ยมันลึกซึ้งเข้าถึงใจนะผู้ให้ก็ซึ้งใจเหมือนกันผู้ที่รับก็ซึ้งในใจอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่การพบค่าสมาคมและการเป็นอยู่ด้วยกันมันซึ้งด้วยน้ําใจแต่มีเมตตาต่อการมีน้ําใจต่อกันแล้วโลกประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้ามีอะไรมีแต่จะหักจะล้างกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่มองกันในแง่ร้ายอยู่ในจิตในใจพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขยังใด mm hmm. การที่พวกเราทำเนี่ยหลวงพ่อว่านเนี่นะลูกหลานทุกคนนะเป็นบุญเป็นกุศลจากพวกเราในชาดกของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสวยพระชาติชาติไหนที่ท่านได้ตั้งโรงทานเลี้ยงขู่เลี้ยงคน เสียสละนะการตั้งลงทานในชาตินั้นท่านต้องไปสู่สู่สวรรค์น่ยสู่สวรรค์เกือบทุกครั้งแล้วก็เพอเพอได้เป็นพระอินทร์อีกต่างหากถ้าว่าท่านชาติไห น, นที่ท่านออกไปบวชในป่าเป็นฤาษีสีไพรยไปบําเพ็ญในป่าชาตินั้นพอตายไปแลท่านไปสู่สพรหมโลกอันนี้ก็คืออยู่ในพุทธประวัติลึศาดกของพระพุทธเจ้าเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ที่พวกเราทํา สร้างโรงทานหรือตั้งโรงทานาช่วยโรงทานนี่แหละเป็นปูทางไปสู่สวรรค์นะลูกหลานนะปูทางไปสู่ความร่ำรวยอีกต่างหากเกิดมาพบใดชาติใดถึงจะกตกทุกข์กได้ยากยังไงก็มีสิ่งที่เข้ามาช่วยเกื้อกูลหนุนไม่ถึงกับตกน้ำตายทีเดียวยังมีคนมาช่วยด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้บําเพ็ญเสียสะละเวลำเวลา ในการสร้างบุญสร้างกุศลมันติดพบติดชาตินะลูกหลานทั้งหลายนะการสร้างบุญสร้างกุศลนะั้นมันติดพบติดชาติแต่มันไม่ใช่มีแต่พระชาตินี้ชาติเดียวชาตินี้ก็เถอะนะชาตินี้ก็เถอะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ลูกหลานตั้งกิจอธิฐานนะเอาไว้นะเออบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความตั้งกิจตั้งใจของข้าพรเจ้าบุญกุศลที่ได้ทํามาแล้วขอให้มา เกื้อกูลหนุนกิจการงานของข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองจะได้มีอุปสรรคด้วยเถินะให้ตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นถ้าผู้ใดทําจริงนะถ้าเว้นเสียจะทําไป็นเลาแเลาะไปเป็นเถสักว่าทำไม่เชื่อนั่นบุญกุศลไม่เต็มที่นะบุญกุศลจะไม่เต็มที่ถ้าว่าเราทําด้วยความตั้งใจบุญกุศลจะเต็มที่เข้ามาสุดจิตเข้าสู่ใจของเรานี่ถ้าว่าเราไปทําให้แก่ ใครผู้ใดผู้นั่นก็จะรละลึกถึงบุญคุณของเราพอเราได้ช่วยเหลือเขาถ้าว่าผู้ใดไม่ได้ถึงเขาจะช่วยเหลือเราแต่เราก็เห็นเขาแล้วก็อิจฉาเขาอันนั้นเรียกว่าคนอัตันอยู่คนไม่รู้จักบุญคุณไม่เจริญถ้าคนเปลักษณะอย่างนั้นถ้าคนรู้จักบุญคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มิตรความผาสุกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระเทวทัตพระเทวทัตพระสงฆ์ก็บอกวอู้พระเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าวบวชให้แท้ทําไมถึงแสดงอากับกิริยาแข็งกล่าวอย่างนี้ต่อพระพุทธเจ้าไม่น่าจะถูกเลยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าในอดีตชาติเคยเป็นมาแล้วอย่างนี้พระเทวทัตเนี่ยเป็นผููไม่รู้บุญคุณเป็น คู่อริคู่ศัตรูกันมาในอดีตชาติแต่ชาตินั้นยิ่งลําทุกยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้อีกต่างหากเพราะสมัยนะั้นมันกิเลสต่อกิเลสนะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยถามว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าขานะพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นพรามณ์อยู่ในกรุงพาราณสีจากนั้นเราก็ทํามาค้าขายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เลยหนีไปบวช ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าไปฤาษีในป่าที่อยู่กอยู่ใกล้แม่น้าจากนั้นก็เนี่ยพระราชาพระเจ้ากรุงพระนรศีนี่มีลูกชายแต่ลูกชายเป็นกษัตริย์เป็นเ้าฟ้าชายเนี่ยเป็นพวกโมโหโทโสโกทาฆ่าตีเตคนอื่นก็ไม่เป็นที่พอใจของของพวกมหาเล็กพวกทหารจากนั้นวันหนึ่งมันมีฟ้าฝนมาก็พา อนี่แหละลูกของพระเจ้าเพนดินเนี่ยลูกชายฟ้าชายเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกลางแม่น้ําอำเขาเอาเรือไปพอเรือไปทีนี้ก็ฟ้าฝนมาอย่างสรุบสารบโบนวุ่นวายขเขาก็ไม่ช่วยท่านเนี่ยเพราะว่าเขาเกลียดชังเอนั่งอยู่แล้วแต่เขาปล่อยทิ้งเน่ยพอกลับมาทีนี้พระเจ้าเพนดินก็ถามเอา ไปไงโอ้ในช่วงน้ำเรือแตกหน่ยไม่รู้ใครเป็นใครอบนะนัเลยฟ้าชายเลยหายไปเลยเหมนะพระเจ้าไปดินก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอต่อมาเนีครับฟ้าชายก็ได้เรือลำหนึ่งไม้กระดานแผ่นหนึ่งแล้วก็ไปเกาะขอนไม้อีกขอนหนึ่งพอเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งเกาะขึ้นไปในขอนไม้คนนั้นมีฟ้าชายนี่ยมีเนี่นแหละลูกพระเจ้าเป็นดิน่ะ ที่เป็นเจ้าฟ้าชายเกาะอยู่ในขอนไม้แล้วก็มีงูตัวหนึ่งแล้วก็มีหนูตัวหนึ่งแล้วก็มีนกแขกเต้าที่มันตกมาจากต้นไม้พอมันลมพัดตุปัตตุเปลงมามันไปเกาะในขอนไม้อีกขอนหนึ่งลูกนกมันยังบินไม่ได้แต่นี่ลือสีทั้งก็อยู่ในป่าพอฟ้าฝนตกน้นาๆขอนไม้มันก็ไหลมาเลยเรื่อยๆลือสีก็เห็นพอเห็นเออ สัตว์งูเหลื่ยมก็มีอยู่ตัวหนึ่งแท่นก็เลยก่อกองไฟขึ้นมาทั้งสัตว์ทั้งสี่ตัวมันหนาวทั้งหมดมันสั่นสะท้านเหมือนกับโงพวกเราหนาวอยู่ทุกวันเนี่ยมันหนาวคนนั้นอีกมันถ้าหนาวตากน้ำหบน้ําแช่เพรางั้นแหละแ้่มันมาในน้ําะแต่นี้พระเจ้าไอ้ลือีเน่ยก็เลยเอาสัตว์ตัวเล็กขึ้นมาก่อนเขานกแขกเต่ามาจับมาวางไว้ให้มันให้มันให้มันถูกให้มันถูกไฟ ให้มันใกล้ๆไฟให้มันอุ่นอจากนั้นก็เอางูเหลือมขึ้นมาและจากนั้นเอาหนูขึ้นมาจากนั้นเราเอาเอาขนขึ้นมาอเอาขนขึ้นมาเราจะเอามาขนให้มานั่งข้างๆด้วยสีเป็นกองกองไฟให้แต่นี่ความความไม่พอใจในเจ้าฟ้าชายเพราะเจ้าฟ้าชายมันถือโทษ โ, ทษโกรธเครืองอยู่แล้วเนยไงคนโมโหอยู่แล้ว เ, เห็นว่าทําไมจึงให้คนอื่น ไม่ให้ความสําคัญมนุษย์เลยไม่ให้สําคัญเราคนเลยทั้งที่เราเนี่เป็นใครฮแต่ลือีจะไป็นลกยกจะไงว่าเป็นใครใช่ไหมว่าเป็นมนุษย์ท่านเองลือีก็บอกว่าถึงยังไงมนุษย์มันก็ต้องมีกําลังแข็งแรงกว่าเอาสัตว์ที่ตัวเล็กๆเนี่ยให้มันมาใกล้ๆไฟก่อนมันจับง่ายแต่ใ น, นความไม่พอใจในลูกของพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็โมโหอยู่ในใจ อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นก็เอาอาหารมาให้ฤาษีก็จัดอาหารมาให้ก็ให้นกแขกเต้ากินก่อนอให้งูให้หนูกินจากนั้นก็ให้มนุษย์กินทาความไม่พอใจให้แกมนุษย์อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นดุดูทั้งคนที่เป็นอริสตรูกันเป็นอย่างนั้นนะไม่พอใจอย่างมากอีกในใจเอาเถอะท่าวัาขาดได้พบได้เจอต่อไปภายภาคหนานะ้านี่ย ข้าจะไม่ให้ชีวิตล่ะตือศีคนนี้นพลยคน่ะตั้งที่เขาเขาช่วยเหลือชีวิตของตนเองขึ้นมาจากน้ำแล้วนะก็ยังก็ยังโมโหให้เขาเพียงนิดหน่อย่านเองพอต่อมาก็อยู่ด้วยกันหลายๆวันตือศี ก, นก็นกแขกนกแขกมันก็พูดเป็นภาษาคนว่าท่านรือศีถ้าว่า จะให้ฉันข้าพเจ้าช่วยอะไรก็บอกข้าพเจ้านะทางงูก็บอกว่าฤาษีถ้าอยากจะให้ข้าช่วยอะไรก็บอกให้บอกมานะนี่แหละเงินคืองูตัวนี้เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนพอเศรษฐีล้าตายไปตายไปเลยไปเป็นงูงูเฝ้าสมบัติเนี่ยพอเฝ้าสมบัติเสร็จแล้วก็ยังระลึกชาติตัวเองได้อยู่บอกฤาษีท่าว่า ท่านต้องการเงินนะเงินของข้านไะม่อยู่แน่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวข้าจะพาไปเอาท่านเป็นผู้มีคุณบุญคุณกับข้าไปเจ้ามา ก, กนหนูก็เหมือนกันหมอหนูก็เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนตายไปแล้วไปไปเป็นรูทํารูเฝ้า ข, ขุมทรัพย์อยู่เงินลือสีก็เออถ้าเมื่อข่าวจําเป็นข้าไปเจ้าจะไปขอตื่นจะลืสีในป่าก็คงจ ะ, งปะง เ, จเป็นลือสีหนุ่มหนะ่ จากนั้นก็ไปหางูต่อมาปีปีสองปีให้หลังไปก็ไปเรียกเลยงูงูงูก็ออกมามาก็บอกว่าเนี่ยต้องการไหมทรัพสมบัติตรงนี้เออเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องการข่าวนี้ยังไม่ต้องการนะเออล้วไปหาหนูอีกหนูก็บอกว่านูห น, หนูหนูก็ออกมาไปหานกแขกอีกนกแขกมัออกมาแต่ั้าเออเราจะไปหามนุษย์เขาว่าเขาอยู่นี่ เ, เป็น เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินนะจะไปหาดูกขาสิแต่นี่ลือศีนี่ไงใส่ชุดลือศีไปเข้าไปในเมืองไปบินทบาทพอไปเห็นพระเจ้าเป็นดินกําลังเสด็จอรอบเมืองพอมาเห็นเศรษฐีท่านนั้น่ไอไปมาเห็นลือศีท่านนะั้นพอจําได้เนี่ยว่าลือีคนนี้แหละที่เอาข้าขึ้นมาจากน้ํานะเแต่ว่าไม่ให้เกียรติข้าเลยเอาขึ้นมากเอาขึ้นมาทีหลัง อาหารก็ให้กินที่หลังอยู่ด้วยกันสามสีห้าวันอาหารกินที่หลังทุกครั้งแสดงว่าลือศีเนี่ยอืมันทํากับข้าวไปเจ้าอย่งเจ็บช้าใจมากเลยยามข้าวไปเจ้าถูกเกี้ยทุกยากแล้วยามมาช้ําเติมข้าวไปเจ้าอีกเห็นว่าสัตว์สําคัญกว่าเราอีกไงมันมองไปในอีกมุมหนึ่งได้เลยลือศีเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งว่าผู้ใหญ่เนะี่ยต้องเอาเข้าทีหลังเพราะว่ายัง ท, ทนได้อยู่ ยังไม่หิวมากควรจะให้ตัวเล็กกินก่อนเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเราต้องให้เด็กตัวเล็กกินก่อนยังขอให้ผู้ใหญ่กินทีหลังลักษณะอย่างนั้นแตพ่พระเจ้าเป็นทีเนี่ยไม่ว่าอย่างนั้นเลยพอมองเห็นเท่านั้นะเหลือไปหาอุปราชมองไปหาอมามัดผู้อยู่ใกลชิดมองมีอะไร มีอะไรพร ะ, พระเจ้าข้าว่างันเนี่ยไปจับคือสีนั่นนะแล้วจับทำไงจับแล้วโบยหลังเลยเนย่ข้าสั่งไปจับโบยหลังเลยจับมัดแขนไผ่หลังแล้วแส้หดเล ย, เ, ยเสร็จแล้วเอาไปขึ้นตะแรล่งแกงตัดคอเตัดคอทิ้งเลยไปไอ้พวก อำมาตย์ราชเวกทั้งหลายเขาก็ไม่รู้ว่ารือศีนั้นเป็นใครใช่ไหมเน่เขากลุมไปก็จับจับก็แส้หวดอย่างท่วานะี่ยพอพระราชาสั่งเนะี่ยพระราชามีอำนาจเด็ดขาดนะทำอะไรก็ได้นะสั่งจตะ ไ, ไปเคี่ยนไปรือศีนะั่นก็ไม่รู้จะพูดยังไง ร, รือศีพูดว่าคำทำคุณให้แก่คนไม่ไม่มีประโยชน์อะไร สู้ยกถอนไม้ขึ้นจากน้ำไม่ได้หรือสีบ่นไปจริงๆเขาตีหลังหงุดหลังนะ อ, ออตีเทไรเขาบอกว่าเอาทําคุณให้แก่คนไม่มีคุณสู้ยกขอนไม้ขึ้นจากน้ำก็ไม่ได้หรือสีบ่นอย่างนั้นเ้าก็ถามว่าหรือสีพลบอะไรทําไมบ่นอย่างนี้ ตือีก็บอกว่าแก้เชือกซะก่อนข้าพเจ้าจะพูดให้ฟังเขาก็เลยแก้เชือกเลยถามว่าเป็นยังไงนี่พระราชาเนี่ยข้าพเจ้ามาหาพระราชาเพราะพระราชาตกน้ําไปเห็นไหมพระราชาตกน้ําใช่ไหมใช่นั่ยแหละข้าพเจ้าเป็นคนเอาพระราชาขึ้นเอาฟ้าชายขึ้นมาจากแม่น้ําเออขึ้นมาแล้วกันนะไม่รู้จักบุญคุณเพระข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมก็มาลงโทษข้าพเจ้าก่อนเออ ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่เอาขึ้นมาจากน้ำเขานั้นก็คงจะตายไปแล้วกระจกคนที่ไม่มีคุณไม่รู้จักบุญคุณของคนเยข้าพเจ้าไปสู้ยกขอนะขอนไม้ขึ้นมายังจะมีประโยชน์กว่าจะต้องทําเป็นฟืนหรือทาเป็นอะไรก็ได้แต่ในยกมนุษย์ขึ้นมาทั้งคนนยังเป็นพิษเป็นภัยยังจะมาฆ่าข้าพเจ้าอีกต่างหากทั้งที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจาก ความตายจนยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนเขาตั้งที่เขาจะให้ความเคารพให้ความเออเฟื้อสงเคราะห์หรือว่าให้ความแอแสดงความกตัญญูต่อกันข้าพเจ้ า, เาก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกเพียงแต่มาเห็นแสดงความยินดีว่าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว พอกลับมากลับมาโดนทำร้ายทำร้ายข้าพเจ้าอย่างนี้พอพวกอาํามทั้งราชเสวกทั้งหลายได้ยินโอ้ใช่พระเจ้าเป็นดิ น, นไม่ได้สืบไม่ได้สอบอะไรเลยคงจะมีความลึกอยู่ในใจจึงทำขนาดนี้ได้พวกเราเอาอคนอกตัญยูไว้ปกครองประเทศชาติไม่ไหวแน่เอาลุมจับนะ พวกทหารลาดสเสวตอะไรกันลุมจับพระเจ้าปณินเลยสำเร็จโทษเลยงั้นแต่คล้ายๆบบปฏิวัติลักษณะอย่างนั้นอ่ะผลในสุดพระเจ้าปดินตายกันเลยยกเป็น ล, ลือสีคนนี้แหละเป็นพระเจ้าปดินแทนจากนั้นพระเจ้าปดินใหม่เนี่ยก็เลยไปหางูเอาขนเงินมาไปหาหนูไปขนเงินมาทีสี่สิบกับสามสิบโกธมันนี่แหละ พระพุทธองค์บอกว่าในชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณของคนคนนั้นจะหาความเจริญไม่ได้มีแต่ความจิบหายเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาลาณสีนั่นนะทั้งที่เศษฤาษีเข้าไปเพียงแต่ออกไปทักทายไม่ใช่จะไปขอทรัพย์สมบัติอะไรไปทักทายไปแสดงความจินด้ดวยก็พระเจ้าแผ่นดินจะเห็นว่า คนทหลายกลัวจะรู้ว่าเนี่ยฤาษีคนนี่นเป็นผู้มีบุญคุณที่เอาจะลำเลิกตัวเองน่ะลำเลิกบุญคุณว่าข้าไปเจ้าเป็นผู้เอาพระลายชาขึ้นมาจากน้านะกลัวเขาจะรู้ก็เลยสั่งสำเร็จโทษก่อนเลยไม่ให้ใครรู้ให้ค้าทิ้งเลย น, นี่แหละอันนี้ก็คือคนที่มีรู้จักบุญคุณผลที่สุดก็ให้โทษแกท่านโทษนั้นถึงตน ให้ให้จะฆ่าจะฆ่าพลึดสีแต่เขาก็มาฆ่าตัวเองนี่แหละทำกรรมไม่ดีเอาไว้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนในชาดกท่านว่าเกิดมาเป็นคนต้องรู้จกักบุญคุณของคนต้องรู้จักต้องมีแสดงความ ก, กตัญญูกะตะเวทีตาต่อคนทั้งหลายนี่แหละ สรุปแล้วก็คือการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทำคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นกอยู่กับใครเมื่ออยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงขนาดนี้แหละท่านช่วยเหลือเรามากขนาดไหนพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะลาแล้วเราก็ควรจะ แสดงความกตัญญูกตเวทีตาทดแทนพระคุณของท่านอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองต้องระลึกถึงพระคุณของท่านถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำสั่งสอนโดยเจตนาดีหวังดีช่วยเหลือชงเคราะห์อนุเคราะห์หนวยน้ำใจไม่ให้เราได้รับความทุกข์ยากลาบากเป็นน้าใจอัน สุดถึงแต่จะให้ได้ใจของเราทุกอย่างถูกใจของเราทุกอย่างมันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ขนาดใจของเราก็ยังไม่ถูกใจเราจะจะให้พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มันถูกใจเราหมดอใจของเราเป็นอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องคิดอีกเหมือนกันเอแต่ที่จริงก็ต้องแยกแยะให้ออกพักคุณก็คือพ่อคุณถูกใจเราก็คือถูกใจเราจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ แต่ขนาดอาหารสําหรับกับข้าวนะบางคํามันยังมีเค็มเผ็ด บ, บางคํามันยังมีเค็มบางคําก็มีหวานไม่ใช่จะอร่อยทุกคําไม่ใช่นี้ก็เหมือนกันนะการมาเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นจะเป็นไปได้เหรอเนะสียงเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนานให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบคอบทุกอย่าง ถ้าพวกเราใช้ความรอบขอบแล้วจะร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อประเทศชาติตกทุกข์ได้ยากน้ําท่วมปี่น้องประชาชนพวกเราอยู่บนบกเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดเหมือนกันะแต่พวกเราก็ได้ทํามาแล้วนะหลวงพ่อฟังมาแล้วก็ภาคภูมิใจที่เสียตอมได้ ส่งเอกสารมาให้ว่า่าใช้จ่ายเป็นยังไงยังไงยังไ ง, ง, ไงรู้สึกว่าเออก็ดีได้ช่วยสงเคราะห์พี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยาก น, นั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการสงเคราะห์อนุขขเคราะห์ด้วยการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาต่อพิมพ์ต่อผู้มีอุปการะคุณให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง อ่ะตอนนี้ไปพระสงค์จะอนุโมทนาให้พอ